คำภีวิสุทธิมาปริเชตที่สิบเอ็ดสมาธินิเทศกาถาที่หนึ่งอาหารเรปฏิกูลลสัญญาคถาบัดนี้ถึงลำดับการแสดงวิธีเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาซึ่งได้ยกขึ้นแสดงไว้อย่างนี้ว่าสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งรองลำดับอรูปสมาบัต ด, ดังนี้ อาหารสี่อย่างในคำเหล่านั้นคำว่าอาหารได้แก่สภาพซึ่งนำกำลังมาให้อาหารนั้นมีสี่อย่างคือกาวลิงการาอาหารอาหารที่ทำเป็นคำๆผัสสาหารอาหารคือผัสสะมโนสันเจตนาาหารอาหารคือมโนสันเจตนาละวิญญาณอาหาร อาหารคือวิญญาณผลที่อาหารนำมาถามว่าก็ในอาหารทั้งสีน่นี้อาหารอะไรนำผลอะไรมาให้แก่ว่ากาวลิงการาหารนนำรูปมีโอชาเป็นที่แปดมาให้ผัสาหารนนำเวทนาทั้งสามมาให้ มโนสันเจตานาอาหารนำปฏิสนธิในภพทั้งสามมาให้วิญญาณอาหารนำนามรูปในขณะถือปฏิสนธิมาให้ภัยของอาหารในอาหารเหล่านั้นความใครเป็นภัยสำหรับกาวลินการาหาร การเข้าไปใกล้เป็นภัยในผัสสาหารการก่อให้เกิดเป็นภัยในมโนสันเจตนาหารปฏิสนธิเป็นภัยในวิญญาณอาหารอุปมาของอาหารก็บรรดาอาหารซึ่งมีภัยอยู่ประจำอย่างนี้นั้นกาวลิงการาหาร พึงแสดงโดยพระโอวาทอันเปรียบเหมือนเนื้อบุรภาษาหารพึงแสดงโดยพระโอวาทอันเปรียบเหมือน โ, โคไม่มีหนังมโนส ah ันเจตนาหารพึงแสดงโดยพระโอวาทอันเปรียบเหมือนหลุมทานเพลิงวิญญาณหารพึงแสดงโดยพระโอวาทอันเปรียบเหมือนหอกหลาหนึ่งร้อยเล่ม กาวลิงกาวราหารประสงค์ในที่นี้ก็ในบรรดาอาหารทั้งสี่เหล่านี้กาวลิงกาวราหารอย่างเดียวซึ่งแยกเป็นชนิดได้แก่อาหารที่ใช้บริโภคใช้ดื่มใช้เคี้ยวและใช้ลิม้มท่านประสงค์เอาว่าอาหารในที่นี้อาหา ร, รเรปติกูลละสัญญาความสำคัญหมาย ซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจการถือเอาอาการน่าเกลียดในอาหารนั้นชื่อว่าอาหารเรปฏิกูลละสัญญาพิจารณาความปฏิกูลโดยอาการสิบพระโยคีผู้ต้องการเจริญปฏิกูละสัญญาในอาหารนั้นทั้งนี้จำต้องเรียนกรรมฐานแม้บทเดียวไม่ให้คลาดเคลื่อนจากที่เรียนมา ไปในที่ลับเร้นอยู่พึงพิจารณาความเป็นของปฏิกลูลในกาวลิงการาหานซึ่งมีประเภทได้แก่อาหารที่ใช้บริโภคใช้ดื่มใช้เคี้ยวและใช้ลิ้มโดยอาการสิบอย่างคืออย่างไรคือหนึ่งโดยการไป 2. โดยการสแสวงหา 3. โดยการบริโภค 4. โดยที่อยู่ 5. โดยหมักหมมหโดยยังไม่ย่อยเจ็ดโดยย่อยแล้ว 8. โดยผลเกโดยหลังไหลออกสิบโดยเปื้อนความปฏิกูลในอาหารประการที่หนึ่งโดยการไปในอาการทั้งสิบนั้น ข้อว่าโดยการไปอธิบายว่าประโยคีพิจารณาว่าผู้บวชในพระศาสนาซึ่งชื่อว่ามีอนุภาพมากอย่างนี้ทำการสาธยายพุทธพจน์หรือทำสมณธรรมตลอดคืนยันรุ่งลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ทำวัดสำหรับลานพระเจดีและลานพระศรีมหาโพธิ์แล้วเข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำช้กวาดบริเวณปฏิบัติสรีรกิจ แล้วขึ้นสุขาสนะฝ่ใจกรรมฐานตลอด2ี่สบหรือส0ครั้งลุกขึ้นจับบาตรและจีวรละป่าสำหรับบำเพ็ญเพียรซึ่งปราศจากคนยัดเยียดกันมีสุขเกิดแต่วิเวกบริบูรณ์ด้วยร่มเงาและน้ำสะอาดเยือกเย็นมีภูมิภาคน่าพึงใจไม่เห็นแก่ความยินดีในวิเวกอย่างประเสริฐบ่ายหน้าตรงต่อบ้านเพื่อต้องการอาหาร ดุดดังสุนักจิ้งจอก บ, บ่ายหน้าต่อปลาช้าพึงไปก็เมื่อไปอย่างนี้จึงจำต้องเหยียบย่ำผ้าลาดซึ่งเกลือกล้วไปด้วยขี้ตีนขี้มแมลงสาบเป็นต้นในเรือนตั้งต้นแต่ลงจากเตียงหรือตังแต่นั้นก็จะเห็นหน้ามุกซึ่งน่าเกลียดยิ่งกว่าภายในห้องเพราะถูกขี้หนูและขี้ข้างขาวเประเปื้อนในการบางครั้ง แต่นั้นพึงเห็นพื้นล่างว่าน่าเกลียดไปกว่าพื้นบนเพราะเประเปื้อนไปด้วยขี้นกแสกและนกพิราบเป็นต้นแต่นั้นพึงเห็นบริเวณว่าน่าเกลียดยิ่งกว่าพื้นเบื้องต่ําเพราะมองไปด้วยหญ้าและใบไม้แก่ซึ่งลมพัดมาในการบางคราวและด้วยมูดกรีสะน้ำลายน้ำมูกของพวกสัมเนนผู้ป่วยและในฤดูฝน ยังเปรอะไปด้วยน้ำและโคลนตมเป็นต้นพึ่งเห็นตรอกแห่งวิหารเป็นของน่าเกลียดยิ่งกว่าบริเวณ น, นั้นอันหนึ่งพระโยคีไหว้พระมหาโพธิ์และเจดีย์ด้วยลำดับยืนอยู่ในโรงสำหรับตรึกไม่เหลียวแลดูเจดีย์งามเช่นกับกองแก้วมุกดาและต้นมหาโพธิ์ที่ระเรื่นใจเช่นเดียวกับกมหางนกยุงและเสนาสนะอันสง่าดุดสมบัติในเทววิมาน หันหลังให้ประเทศที่น่าเรื่นรมเห็นปานนั้นหลีกไปด้วยหมายใจว่าจะต้องไปเพราะเหตุแห่งอาหารแล้วเดินไปตามทางบ้านพึงเห็นแม้ทางมีตอและนามบ้างทางที่ขาดเพราะกำลังน้ำซ้อและครูกระบ้างแต่นั้นเธอนุ่งผ้าก็เหมือนผู้ปิดฝีรัดประคตก็เหมือนผู้พันผ้าพันแลผลห่มจีวร ก็เหมือนผู้คลุมร่างกระดูกนำบาดออกก็เหมือนผู้นำโกรงยาออกเมื่อถึงที่ใกล้ประตูบ้านก็พึงเห็นแม่ซากช้างซากมา้าซากโคซากควายซากมนุษย์ซากงูและซากสุนัขเป็นต้นก็ไม่ใช่พึงเป็นแต่เห็นเท่านั้นแม้กลิ่นของซากเหล่านั้นกระทบจมูกอยู่อันเธอต้องจำอดกลั้น แต่นั้นเธอครั้นยืนที่ประตูบ้านต้องแลดูตรอกตามบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายมีช้างมาที่ดุเป็นต้นของปฏิกูลซึ่งมีเครื่องลาดเป็นต้นมีซากศพเป็นอนเนกเป็นที่สุดดังว่ามานี้เป็นสิ่งที่พระโยคีจำต้องเหยียบจำต้องเห็นจำต้องดมเพราะอาหารเป็นเหตุเราพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูล โดยการไปอย่างนี้ว่านะท่านผู้เจริญอาหารหน่าเกลียดแท้หนอประการที่สองโดยการสแสวงหาจะพิจารณาความเป็นของหน้ารังเกียดโดยการสแสวงหายังไรก็เราแม้อดกลั่นสิ่งที่น่าเกลียดโดยการไปอย่างนี้แล้ว เข้าไปสู่บ้านแล้วห่มผ้าสังฆติเที่ยวไปในถนนในบ้านโดยลำดับเรือนดุดคนกำร้าถือกระเบื้องเที่ยวไปเช่นนั้นที่ในฐานที่เหยียบลงแล้วในฤดูฝนเท้าทั้งหลายต้องจมลงไปในคโคลนเลนจนถึงเนื้อปลีแข้งต้องเอามือหนึ่งถือบาทเอามือหนึ่งยกจีวรในฤดูร้อนก็จำต้องเที่ยวไป ด้วยทั้งสรีระอันเกลื่อนกลนไปด้วยฝุ่นและละอองญ้าที่ฟุ้งขึ้นแล้วเพราะกําลังลมพัดครั้นถึงประตูบ้านนั้นๆจําต้องเห็นและบางทีก็เหยียบหลุมโสโครกและบอ่อน้ําครําอันเจือปนด้วยน้ําล้างปลาน้ําล้างเนื้อน้ําซาวข้าวน้ําลายน้ํำมูกหมูลสุนัขและสุ ก, กรเป็นต้นเกลื่อนกลนไปด้วยหมูห น, นอนและมแมลงวันหัวเขียว เป็นแดนซึ่งมแมลงวันทั้งหลายเที่ยวบินขึ้นจับเกาะที่ผ้าสังขติบ้างที่บาดบ้างที่ศีรษะบ้างแม้เมื่อพระโยคีเข้าไปสู่เรือแล้วบางพวกก็ถวายบางพวกก็ไม่ถวายแม้เมื่อถวายบางพวกก็ถวายพัดที่สุกตะวันนี้บ้างคือของค้างคืนของเคี้ยวที่เก่าบ้าง ขนมถั่วและแกงเป็นต้นที่บูดแล้วบ้างฝ่ายพวกที่ไม่ให้บางพวกก็พูดว่ามีหมอโปรดสัตว์ข้างหน้าเถอเจ้าข้าบางพวกก็นิ่งเสียเป็นดุดไม่เห็นบางพวกก็ทาทีพูดกับคนอื่นบางพวกซ้ำด่าด้วยคำหยาบเป็นต้นว่าเฮ้ยไอหัวโลนจงไปซะถึงเป็นอย่างนี้พระโยคีจำต้องเที่ยวไปบินทบาตในบ้าน แล้วจึงออกมาดุดคนกำพร้าพระโยคีจำต้องเหยียบจำต้องเห็นจำต้องอดกลั้นซึ่งของปฏิกูลมีน้ำและโคลนตมเป็นต้นนี้จำเดิมแต่เข้าไปสู่บ้านจนกระทั่งออกเพราะเหตุแห่งอาหารด้วยประการดังพันนามาชะนี้เธอพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยการสแสวงหายอย่างนี้ว่านะท่านผู้เจริญ อาหารน่าเกลียดแท้หนอดังนี้ประการที่สามโดยการบริโภคจะพิจารณาความเป็นของน่าเกลียดโดยการบริโภคอย่างไรคือพิจารณาว่าก็พระโยคีผู้สแสวงหาอาหารอย่างนี้แล้วนั่งอย่างสบายในที่สะดวกภายนอกบ้าน ตราบใดที่ยังมิได้ย่อนมือลงไปในอาหารนั้นและเห็นภิกษุผู้อยู่ในฐานะเป็นครูหรือมนุษย์ผู้ละอายบาปเห็นบาปนั้นก็ยังพออาจเพื่อนิมนต์ให้ฉันอาหารเช่นนั้นได้อยู่ตราบนั้นเพราะยังไม่เป็นของปฏิกูลแต่เมื่อย่อนมือลงไปในอาหารนี้ด้วยความเป็นผู้ต้องการฉันแล้วเธอจะกล่าวว่าท่านจงรับเอาดังนี้ต้องละอาย เรอเป็นของปฏิกูลแล้วอันหนึ่งเหงื่อหลั่งออกตามงามแห่งนิ้วมือทั้งห้าของพระโยคีผู้หย่อนลงไปขยำอยู่แม้พัดที่แห้งแข็งก็ให้ชุ่มทำให้อ่อนได้ภายหลังเมื่ออาหารนั้นมีความงามอันสลายแล้วแม้เพราะเหตุสักว่าขยำทำเป็นคำคำใส่วางไว้ในปาก ฟันล่างก็ทำกิจต่างครกฟันบนทำกิจต่างสากลิ้นทำกิจต่างมืออาหารนั้นอันสาก ค, คือฟันต่ำแล้วอันลิ้นคลุกเคล้าแล้วในปากนั้นเป็นดุจก้อนรากสุนักในรางสุนักคือสารอกหรืออาเจียนของสุนักน้ำลายจางใสที่ปลายลิ้นแปดเปื่อนแต่กลางลิ้นเข้าไปน้ำลายค้นแปดเปื่อน มูลฟันคือขี้ฟันในที่ซึ่งแม้ชําระไม่ถึงแปดเปื้อนอาหารนั้นทั้งถูกบดถูกแปดเปื้อนอย่างนี้หมดสีกลิ่นและเครื่องปรุงอันวิเศษในทันทีนั้นเข้าถึงความเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งดุดราสุนักอันอยู่ในรางสุนักแม้เป็นเช่นนั้นยังกลืนกินได้เพราะล่วงคลองจากสุไปแล้วพระโยคี พึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยการบริโภคอย่างที่ว่ามานั่นแหละประการที่สี่โดยที่อยู่จะพิจารณาความเป็นของหน้ารังเกียจโดยที่อยู่อย่างไรคือพิจารณาว่าก็แลอาหารนี้เข้าถึงการบริโภคอย่างนี้แล้ว เมื่อเข้าไปข้างในเพราะเหตุที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระปเจกพุทธเจ้าหรือพระเจ้าจักรพัทก็ตามทีย่อมมีที่อาศัยอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาที่อาศัยสี่อย่างคือปิตาศัยที่อาศัยคือดีเสมหาศัยที่อาศัยคือเสเลดปุปพาศัยที่อาศัยคือหนองโลหิตาศัยที่อาศัยคือเลือด แต่สำหรับคนมีปัญญาน้อยมีที่อาศัยครบทั้งสี่เพราะเหตุนั้นอาหารใดมีที่อาศัยคือดีมากอาหารนั้นน่าเกลียดยิ่งนักดุดเปื้อนด้วยน้ำมันมาสางคนอาหารใดมีที่อาศัยคือเสลเลตมากอาหารนั้นดุดระคนด้วยน้ำใบกากะถิงอาหารใดมีที่อาศัยคือหนองมาก อาหารนั้นดุดระคนด้วยรเรลียงเน่าอาหารใดมีที่อาศัยคือโลหิตมากอาหารนั้นน่าสอิดสะเอียนยิ่งนักดุดกระคนด้วยน้ำย้อมประโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยที่อาศัยอย่างพันานามาชนนี้ ประการที่ห้าโดยหมักหมมจะพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยหมักหมมอย่างไรคือพิจารณาว่าอาหารนั้นลคนด้วยที่อาศัยในบรรดาที่อาศัยทั้งสี่เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเข้าไปสู่ภายในท้องไม่ใช่ไปหมักหมมอยู่ในภาชนะทองหรือในภาชนะแก้วมณี หรือภาชนะเงินเป็นต้นก็หากคนมีอายุสิบปีกลืนกินก็ยอมตั้งอยู่ในโอกาสอันเช่นเดียวกับหลุมคูดที่ไม่ได้ชำระตลอดสิบปีถ้าหากคนมีอายุยี่สิบปีสาสิบปีสี่สิบปีจนถึงเก้าิปีกลืนกินก็ยอมตั้งอยู่ในโอกาสอันเป็นดุลหลุมคูดที่ไม่ได้ชำระตั้งยี่สิบ สามสิบถึงเก้าสิบปีเป็นต้นนั้นถ้าหากคนมีอายุตั้งร้อยปีกลืนกินก็ยอมตั้งอยู่ในโอกาสเช่นเดียวกับหลุมคูดซึ่งมิได้ชำระตั้งหนึ่งรยอยปีพระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยความห ม, ม, มักหมมอย่างพันานามาชะนี้ประการที่หกโดยอย่างไม่ย่อย จะพิจารณาความเป็นของน่ารังเกียจโดยยังไม่ย่อยอย่างไรคือพิจารณาว่าก้ออาหารนี้นั้นเข้าถึงความหมักหมมในโอกาสเช่นนี้ยังไม่ย่อยตราบใดที่กลืนกินในวันนั้นก็ดีในวันวานก็ดีในวันก่อนแต่นั้นก็ดีทั้งหมดถูกแผ่นเซมหะห่อหุ้มเป็นอันเดียวกันปุดเป็นฟองฟอดซึ่งเกิดแต่ความย่อยยับ เปนความร้อนแห่งไฟในกายให้ย่อยแล้วเข้าถึงความเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งแล้วตั้งอยู่ในประเทศที่มืดมิดอย่างยิ่งที่ถูกอบด้วยกลิ่นแห่งซากศพต่างๆดุจเที่ยวไปในป่าทึบที่น่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นยิ่งนักซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วนั้นนั่นเที่ยวอยู่ตราบนั้นเปรียบดุจหญ้าใบไม้ท่อนเสือลําแพ่นซากงูสุนัขและมนุษย์เป็นต้น ซึ่งตกลงในหลุมใกล้ประตูบ้านคนจันทานอันฝนไม่ใช่การตกรถแล้วในฤดูแลง้งถูกความร้อนของดวงอาทิตย์แผดเผาเดือดเป็นฟองฟอดแล้วตั้งอยู่ฉชนนั้นพระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยยังไม่ย่อยอย่างนี้ประการที่เจ็ โดยย่อยแล้วจะพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยย่อยแล้วอย่างไรคือพิจารณาว่าก็อาหารนั้นเป็นสภาพอันไฟในกายให้ย่อยแล้วในโอกาสนั้นและมีใช่จะให้เข้าถึงความเป็นทองเป็นเงินเป็นต้นดุจ ด, ดังธาตุทองและธาตุเงินเป็นต้นได้แต่ก็เมื่อผุดเป็นฟองฟอดอยู่ เข้าถึงความเป็นอุจจาระอย่างกระเพาะอาหารเก่าให้เต็มเปรียบดุดดินเหลืองซึ่งบุคคลบดดินที่ควรทำให้ละเอียดแล้วใส่เข้าในกระบอกไม้ไผ่เข้าถึงความเป็นมูดอย่างกระเพาะปัสสาวะให้เต็มอยู่พระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยย่อยแล้วอย่างที่พันน า, นามานี้ ประการที่แปดโดยผลจะพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยผลอย่างไรคือพิจารณาว่าก็อาหารนี้อันไฟธาตุย่อยอยู่โดยชอบเทียวยอมสำเร็จเป็นซากต่างๆมีผมขนเล็บฟันเป็นต้นที่ไม่ย่อยอยู่โดยชอบ ยอมให้สำเร็จเป็นโรคตั้งหนึ่งร้อยชนิดมีหิดเปื่อยหิดด้านคุธราชโรคเรื้อนขี้กลากหืดไอลงแดงเป็นต้นนี้เป็นผลของอาหารนั้นพระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยผลอย่างนี้ประการที่เก้า โดยหลังไหลออกจะพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยหลังไหลออกอย่างไรคือพิจารณาว่าก็อาหารนี้อันบุคคลกลืนกินอยู่เข้าไปโดยทวานช่องเดียวเมื่อจะหลังออกย่อมออกโดยทวานเป็นอเนกโดยประการเป็นต้นว่าขี้ตาหลจากตาขี้หูหลจากหู อันหนึ่งอาหารนี้ในเวลาที่กลืนกินบุคคลย่อมกลืนกินแม้ด้วยทั้งบริวารมากแต่ในเวลาที่ถ่ายออกเข้าถึงความเป็นอุจจาระและปัสสาวะเป็นต้นเฉพาะคนคนเดียวย่อมถ่ายออกก็เมื่อบริโภคอาหารนั้นในวันแรกทั้งยินดีทั้งร่าเริงปลื้มจิตโปรงใจเกิดปิติโสมนัต พอวันที่สองเมื่อจะถ่ายออกย่อมปิดจมูกสยิ้วหน้าสอิดเอียนเกอ้อเขินอันหนึ่งในวันแรกเขากำหนัดแล้วชอบใจจดจอ่อแม้สยบหมกมุ่นกลืนกินอาหารนั้นครั้นวันที่สองค้างอยู่เพียงคืนเดียวก็เบื่อหน่ายอึดอัดระอารังเกียจจึงต้องถ่ายออกเพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์ดึกดำบรรจึงกล่าวว่าอาหารเครื่องดื่มของเคี้ยวและโพชนะซึ่งมีค่ามากเข้าโดยทวารช่องเดียวแต่หลังออกโดยทวารตั้ง9ก้าช่องอาหารเครื่องดื่มของเคี้ยวและโพชนะซึ่งมีค่ามากบุคคลมีบริวารแวดล้อมบริโภคอยู่แต่เวลาเขาจะถ่ายออกยอมแอบแฝง อาหารเครื่องดื่มของเคียวและโภชนะซึ่งมีค่ามากบุคคลชื่นชมบริโภคอยู่แต่เมื่อจะให้ถ่ายออกกลับเกลียดอาหารเครื่องดื่มของเคียวและโภชนะซึ่งมีค่ามากโดยขังอยู่เพียงคืนเดียวเท่านั้นกลายเป็นของเน่าไปหมดชนนี้พระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูล โดยหลังไหลออกอย่างนี้ประการที่สิบโดยเปื้อนจะพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยการเปื้อนอย่างไรคือพิจารณาว่าก็อาหารนี้แม้ในเวลาบริโภคย่อมยังมือปากลิ้นและเพดานให้เปื้อน เพราะถูกอาหารนั้นเปื้อนอวัยวะเหล่านั้นจึงเป็นของปฏิกูลซึ่งแม้จะล้างแล้วก็จําต้องล้างบ่อยๆเพื่อขจัดกลิน่นอาหารเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วเช่นเดียวกับเมื่อหุงข้าวสุกแกลบรำไปลายข้าวเป็นต้นเดือดปุดขึ้นแล้วย่อมเปื้อนขอบปากหม้อและฝาหม้อฉันใดอาหารอันไฟประจํากาย ซึ่งไปตามสรีระทั้งร่างเผาให้เดือดปุดเป็นฟองฟูดขึ้นมาอยู่ย่อมยางฟันให้เปื้อนโดยความเป็นมลทินฟันย่อมยางอวัยวะมีลิ้นและเพดานเป็นต้นให้เปื้อนโดยความเป็นน้ำลายและเสมหะเป็นต้นยังตาหูจมูทวารหนักเป็นต้นให้เปื้อนโดยความเป็นขี้ตาขี้หูน้ำมูกปัสสาวะและอุจจาระเป็นต้น อันเป็นเหตุให้บรรดาทวารที่ถูกเปื้อนแล้วแม้บุคคลล้างอยู่ทุกๆวันก็ไม่เป็นของสะอาดไม่เป็นของน่าฟูใจซึ่งเป็นที่ที่บุคคลล้างทวารบางทวารแล้วจำต้องล้างมือด้วยน้ำอีกล้างทวารบางทวารแล้วล้างมือด้วยโคลไหมก็ดีดินเหนียวก็ดีจุรนหอมก็ดีตั้งสองครั้งสามครั้งความเป็นของปฏิกูล ก็ยังไม่ไปปราดประโยคีเพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยการเปื้อนอย่างนี้การบลุอุปจาระฌานเมื่อประโยคีนั้นพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยอาการสิบอย่างดังบัรยายมานี้อยู่ ทำให้เป็นคุณชาติอันความตรึกและวิตกคร่ามาแล้วกวลิงการาหารยอมปรากฏด้วยสามารถอาการเป็นของปฏิกูลเธอย่อมหมันเสพเจริญเพิ่มภูนิมิตนั้นบ่อยๆเมื่อเธอทำอย่างนั้นนิวรย่อมสงบแต่เพราะเหตุที่กาวลิงการาหารเป็นของลึกโดยความเป็นสภาวะธรรม จิตจึงขึ้นถึงเพียงอุปจารสมาธิซึ่งไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิอันหนึ่งสัญญาในอธิการนี้ย่อมเป็นคุณชาติปรากฏด้วยอำนาจการถือเอาโดยเอาการเป็นของปฏิกูลเหตุนั้นกรรมฐานนี้จึงถึงการนับว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาความสำคัญหมายว่า เป็นของปฏิกูลในอาหารก็แหละจิตของภิกษุผู้หมันประกอบปฏิกูลสัญญาในอาหารนี้ยอมหดกลับถอยหลังจากความอยากในรสเธอเป็นผู้หมดความเมากลืนกินอาหารเพียงเพื่อต้องการบำบัดทุกข์ดุจคนต้องการข้ามทางกันดานแม้ไม่อยากกินเนื้อบุรแต่จำต้องกลืนกินเนื้อบุรฉะนั้น ข้อนี้คือเปรียบเทียบมารดากับบุตรเดินทางไกลแต่ต่อมาบุตรได้ตายลงเพื่อรักษาชีวิตในที่กันดารหาอาหารไม่ได้นั้นจึงจำเป็นต้องกินเนื้อบุตรเพื่อรักษาชีวิตไว้เป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นว่าการกินอาหารต้องพิจารณาให้ได้แบบนี้เธอเป็นผู้หมดเมากลืนกินอาหารเพียงเพื่อต้องการบาบัดทุก ดุจคนต้องการข้ามทางกันดานแม้ไม่อยากกินเนื้อบุตรแต่จำต้องกลืนกินเนื้อบุตรฉะนั้นครั้นคราวนี้ราคะซึ่งเนืองด้วยการมาคุณห้าย่อมถึงความกำหนดจับคือรู้ได้แก่เธอด้วยมุก ค, คือปรีชาคอยจับกาวลิงการาหารโดยไม่ลำเค็นเลยเธอกำหนดรู้รูปรขันด้วยมุก คือปรีชากำหนดรู้กรรมคุณห้าอย่างและแม้กายคตาสติภาวนาย่อมถึงความเต็มเปี่ยมแก่เธอด้วยอำนาจความเป็นของปฏิกูลแห่งอาหารที่ยังไม่ย่อยเป็นต้นเธอชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามปฏิปทาอันอนุโลมแก่อสุภาสัญญาก็เธออาศัยข้อปฏิบัตินี้แม้ยังไม่ประสบความเป็นผู้มีพระอมาตะเป็นที่สุดในพบปัจจุบัน ก็จะเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี้เป็นถ้อยถแถลงอย่างพิสดาลในการเจริญอาหารเรปฏิกูลและสัญญา